คุณอินดามาอุนซิลคุมบิลวบหสสิอ็ดถึง4ี สักหรือมิหนุมมันหุมมักานุบิหียัสถเจือ แล้วคุณ م นก ل าَวันและกลา ر คืนจา ه พระผู้ทรงกรุณา อำลาห ه ม ة าลีฮะตุนอำน م งหุ يستطيعون ن ص ر أنفسهم لا يستطيعون ن ص ر أنفسهم ولا هم من ا يحبون ولا هم ب ا ل م ت ع ن ن و ا ب ه م ب ل م ع ن ها. عليهم العمر. أفلا يرون أن نأتِ الأرض؟, الأرض ننقضها من أطرافها. أفهم الغالبون. قل إنما أ ن ِ ر ُ ك ُ م بالوَحْ. قل إنما أ ُ ن ِ ر ُ ك ُ م بالوَحْ. อ <"S 2> ัลลอฮ์ الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من ي ه د الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن م ح م د ا عبده ورسوله Allahumma b ب nah q a asbahna wa biqa amsayna wa biqa nahya wa biqa namatu wa ilaikan nushur أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو س م العليم رضيت بالله رب وبالإسلام دينا و ب م ح د الرسول Allahumma inni a'uzubika min al-kasli wa s u l a k i b ر ับ أ ع ْ ز ب ك م ن ع ذ ا ب ف ي ا ل ن ا ر و ع ذ ا ب ف ي ا ل ق ب ْ ر ِ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته พีน้องที่ร่วมนมาศุบะที่รักทั้งหลายครับก่อนอื่นเราจะต้องขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه แะ تعالى ครับขอบคุณอัลลอฮ์โดยการ อ่านดัอานะครับดัวอาตั้งแต่ตื่นนอนบนที่นอนดัอาก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิลลาอะยานบาดดาอมอามตานะาลหินนูชูรนี่เป็นดัวอาขอบคุณอัลลอ์ที่อัลลอ์ให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ให้เราตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เตือนตัวเราด่าเราจะต้องตาย เราก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์อีกครั้งหนึ่งทําไมต้องอ่านดวอาครการเตือนเราให้นึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงความตายนึกถึงการไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์นะครับเป็นการเตือนที่ดีที่สุดนะครับก่อนนอนก็เหมือนกันก็ต้องเตือนตัวเองนะครับโดยการแปรงฟันอาบน้ําน้มาดที่น้องหลายคนนี่ไม่เคยอาบน้ําน้มาดก่อนนอนเลย ผมถามว่าอายุเท่าไรแล้วหกสิบแล้วไม่รู้นึกว่าอาบน้ําจะมาเฉพาะไปนมาศอย่างเดียวไม่รู้มาก่อนเลยว่าโอ๋อนบีสอนครับจากนั้นเตือนตัวเราเองนะครับโดยการประคองคําสอนของอิสลามเนี่ยเอาไว้ในตัวของเราให้มากที่สุดก่อนนอนให้แปลงฟันอาบน้ำนำมาศตะปัดที่นอนดึงที่นอนให้ตึงเอาลอพี่น้องแล้วก็ นั่งบนที่นอนแล้วก็เอายกมือขึ้นนะครับเป่าก่อนแล้วอ่านสามกุญช์นะครั บ, รนะรบอ่านอายะคุณสีตามอิศรุสอัลลอฮฺยี่สบสามสิบสามครั้งอัลฮะมดุลิลลาฮฺอัลลอฮฺอักบารอีสามิบสี่ครั้งพี่น้องครับแล้วก็อ่านตาบารุกัลละดีด้วยอ่านคุอ่านเยอะๆพี่ น, อน้องก่อนนอนนะนะถาว่าอ่านทําไมตาบารุกัลละดีบียดิลมุลกูอาห์วะละ เป็นการเตือนให้เรานึกถึงความตายเตือนเราให้นึกถึงชีวิตในกุโบน บ, บีสอนเราว่าคนที่อ่านสุรัตบารอกั ล, ลลีเนี่ยเขาจะไม่ถูกไม่ถูกสอบไม่ถูกลงโทษที่สุสานแต่มีเงื่อนไขว่าคนอ่านกุรานสาวสุระอนนี้นะ่ะต้องเป็นคนที่เคร่งคัดาศาสนาไม่ใช่ตอ่านกุรานสุระอนนี้แล้วมีชาติมาได้นมฮัต มารีบทำไม่ด้นามาต์ใช่ไหมมีเงื่อนไขว่าจะต้องเคร่งคัดาศาสนาหลักอื่นๆที่เอาล้อสั่งให้ปฏิบัติฉะนั้นการอ่านอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องเป้าหมายคือให้รู้ความหมายฉะนั้นการอ่านกุรอานก่อนนอนสุรตตาบาเนี่ยต่อบาตรอการละลเนี่ยเพื่อเป็นการเตือนเราเองให้นึกถึงความตายพอนีคนที่จะตายจะต้องต่อบาตัวก่อนใช่หรือไม่ใช่ทนี้วันนี้ต้องนึก คนนั่งบนที่นอนตน้องเลกตั้งแต่เช้าจนมาถึงมาถึงนอนเนี่ยทำความชั่วอะไรบ้างนึกอัลลอ์ชั่วต่างหลายเรื่องอัสตัลฟิรุลลออัสตัฟิรุลลอถ้าสรวจดูแลโอ้โหความดีเยอะแล้ ว, วันนี้อัลฮัมดุลิลลพี่น้องเตือนตัวเราใครจะเตือนอะไรพี่น้อง บางทีตันเองมไม่มีใครกล้าเตอือนหรอกครับท่านเตือนตัวเองนะครับอา่านกูนานนึกถึงซุนนะนบีอัลฮัมดุลิลละขอบุญเอารอดนะครับพี่น้องเราได้ทบทวนกูน่านนี่พี่น้องมาถึงซูร่าที่ยี่สิบเอ็ดแล้วเนี่ยนะครับมาถึงอายาที่เท่าไหร่นะสี่สิบพี่น้อง <c oughs> อายาที่ผ่านมาพี่น้องมันมีอยู่เรื่องหนึ่งขอเตือนนิดหนึ่งเตือนตัวผมเองนี่แหละครับ ว่าคนอินสานูอาจูละหรือว่าเลขุลิกลอินสานูมีนาอัจลแปลว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาเป็นคนรีบร้อนหรือแปลพู้เราก็ใจร้อนมนุษย์นี่ถูกสร้างมาเป็นคนใจร้อนโดยยกขดีสของท่านนาบีนะจากตับซีอิบนุกะซีตอธิบายเพราะว่านาบีอาดัมเนี่ยสร้างตอนเย็น พอพอเปล่าวิญญาณวิญญาณมาถึงแค่ข้างบนเนี่ยถึงคอนั่นแหละพูดเลยอัลลอ์สร้างไวไวหน่อยสร้างให้เสร็จก่อนตะวันตกนะอัลลอ์เนี่ยใจร้อนเห็นไหมขนาดสร้างอย่างถึงแค่นี้เนี่ยนะข้างล่างบรยวิญญาณยังไม่ถึงสร้างให้ใหไวไวหน่อยไวไหน่อยเราะนั้นมนุษย์เนี่ยใจร้อน แค่นี้เวลาใจรอ้อนเน่ยใจร้อดกับอลัลลอฮ ด, ด้วยทำไมอ่ะคนกาเฟ่เล่นงานมุสลิมทาไมไม่รีบจัดการฉันนี่มันไสเหลือเกินเห็นไมอลัลลอฮ์ก็สั่งว่าใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆไอ้ที่รีบร้อนได้แต่มีอยู่สี่ห้ารายการรู้ไหมอะไรหนึ่งเวลามีคนตายให้รีบฝังอย่ารอไว้นานเดี๋ยวหาคนอ่ามนานงจนนาจาไม่ได้อีกใช่ไม ให้รีบจัดการมายิตให้ไวที่สุดเรื่องที่สองผู้หญิงที่เป็นแม่ไม้นี่ใช่ไหมเมื่อเจอคู่คองให้รีบนี่ก้รวมไปถึงลูกสาวล้วด้วยนะครับยุคสมัยนี้เนี่ยออลลอักวัรมันไว้แลือกืนเฟซบุ๊กก็มีไอ้นี่ก็มีไอนันก็มีถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวไปแอบไปทํศีลนานกันให้รีบนีก้เรื่องที่สพี่น้องเวลามีหนี้ให้รีบใช่ ข้อที่สี่เวลาแขกไปใครมานั่งอยู่ที่บ้านเนะี่ยให้รีบตอนรับเอาน้ำมาให้เอาอะไรมาให้มาเลี้ยงแขกนั่นะพี่น้องนี่เป็นสุนาของท่านนาบีรีบได้เลยไม่ต้องรอประชุมใช่ไหมแต่อย่างอื่นนั้ น, จ น, นใจเย็นนใจเย็นนพี่น้องทั้งหลายนะครับเอาวันนี้มีอายาเท่าไหร่ครับอายาที่สี่สิบเอ็ดนะครับพี่น้องวลาดิ <c oughs> ทูเจ้าบรูซุลิมที่คุณ ا ่านที่คุ ل ท่าน م ี่คุณท่านที่คุณท่านที่คุณท่านที่คุณท่านที่คุณท่านที่คุณท่านที่คุณ มกันไม่ كانوا به يستهزئون الحمد ล ل ه ข้อยเนี้พี่น้องเอ้ยให้กำลังใจมุสลิมเต็มไปหมด <laughs> มีอยู่กี่ประเด็นเนี่ยพี่น้องประเด็นที่หนึ่งร้อนเล่ า, ลาก่อนนะว่าเากอดลราก็ตปวะโดนแน่นอนยิ่งอิสตุฮซิอ์ถูก เยอะใหญ่หรือว่าถูกเยอะเยยพี่น้องต้องนึกนะคนที่ถูกเยอะเยยนะใครตามกุณอนัญญานี้บรรดานาบีทั้งหมดที่มาในโลกนี้ที่มาสอสาานศาสนา this นะถูกเยอะเยยบิรูซูลรูซูลเนี่เป็นพระหูพจน์รูซูลหลายๆคนมิ่งกอบลิกที่มาก่อนหน้าท่านมาก่อนหน้านาบีมุฮัมมัด พุกุ้อานถูกประทานให้กับนบีมุฮัมมัดตอลร้อนเล่านกบุกุ้งอานบอกว่ามุฮัมมัดเอ๋ยเป็นการปลอบใจนบีบอกว่าแท้จริงบรรดารอซูลที่มาก่อนหน้าท่านทุกคนนั้นกอดิสตูซีอาถูกกระไดนะถูกเยอะอหยันถูกหัวเราเยาะถูกเยาะเยยถูกถากทางถูกตำหนูถูกดูถูกเหยียดหยามดูหมิ่น ทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นไงครับฟะฮากบิลลาีนซสขิรูแต่ฉันแต่อันใดที่พวกเขาได้ล้อเลียนสักิรูก่อนนะครับมินหุมคนใดก็ตามที่ได้ล้อเลียนนะครับพวกเขานั่นถูกสกัดคนที่ล้อเลียนนาบี ตั้งแต่ยุคไหนก็ตามนะครับที่ร้อเลียนนบีหัวเราะเยาะนบีหัวเราะยะนบีใครบ้างนะนบียูซุฟนบียูนุสนบีอิบราฮิมแล้วก็นบีอะไรอีกนบีนัวใช่ไหมถูกหัวเรยายาะตอนหนาตอนสร้างเรือนวัวจะเอาเรือไปวิ่งที่ไหนเรานามทะเลก็ไม่มียกตัวอย่างให้เห็นหนะพื่น้องตอนนบีนัวสร้างเรือน่ะถูกยเยอะเยอะะ เอาไปวิ่งที่ไหนในเรือเนี่ยสร้างก็ใหญ่ด้วยอันนี้ก็ทนพี่น้องเอาใครมากก็ด่าใครมาก็ว่าแล้วเป็นไงพอสร้างเรือเสร็จท่านั้นแหละฝนตกน้าผุดขึ้นจากแผ่นดินเห็นไหมแล้วเป็นไงพี่น้องไอ้คนที่ไม่เคยขึ้นเรือเนี่ยตายเรียบไอคนที่ขึ้นเรือเนี่ยก็ปลอดภัยใช่ไหมฉะนั้นคนที่ดูถูกหัวเราะเยาะนาบีตั้งแต่ยุคนบีอิบรอฮิมเรื่อยมาดบีนุ่งเรื่อยมา ฟาฮ า, าบกอบิลละดีนอซาคิรูพวกเขาถูกสกัดลงโทษเรียบร้อยไปหมดแลว้วในยุคปัจจุบันนี้คนที่ยเยอะเย้ยน บ, บี ม, มุ hammad บางคนก็ถูกฆ่าไปแล้วที่ประเทศอะไรนะประเทศฝรั่งเศส <laughs> ใช่ไหมแต่ไอคนที่ยังไม่ถูกจัด ก, การมีไหมมีครับแล้วเป็นไงครับฟาฮ า, าบกอบิลละดีนอซาคิรูอลัลลอฮฺสกัดไว้เรียบร้อยรอยหมดแลว้ว มีสมุดชื่ออยู่ในบัญชีของอลัลลอฮ์อยู่แล้วก็ต้องถูกเล่นงานแน่ๆไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ครับนั่นใจเย็นเยนมุสลิมใจเย็นเยนไม่ต้องไปใจร้อนคนนั่นถูกดา่าไอ้นี่ถูกปฏิวัติไอ้นั่นถูกฆ่าไอ้นั่นถูกยึดใจเย็นเยนยังมีดูอาอีก น, นานจะต้องขอกันฉะนั้นมุสลิมต้องขอดูอาให้กันตลอดเวลา ใช่ไหมช่วยได้เยอะเลยนะครับไม่สามารถโต้อตอบด้วยกําลังก็โต้อตอบด้วยบนดูอาของเรานะครับขอดูอาให้เลยเห็นมุสลิมถูกรังแกก็ขอดูอาช่วยกันตรงนี้แต่ตรงนี้เป็นไงรูกไหมอ <c oughs> ธิบายว่าแต่ทันใดแต่อันใดที่พวกเขาโดยรอเรียนในการลงโทษของพวกเขาได้ถูกสกัดล้อมบรรดาผู้ที่เยาะเยะ้ยยันหรือโหระเยอะหมดแล้ว ที่ผ่านมาแล้วก็ถูกลงโทษไปแล้วที่ยังไม่ถูกลงโทษก็ถูกสกัดล้อมไปหมดแล้วแบบตารวจมาล้อมบ้านไปน้องจะจับเมื่อไหร่ก็ได้แต่นี่ก็ปล่อยไว้ก่อนไอ้ที่ปล่อยเอาไว้เนี่ยรือมหมประโยชน์มีมาดีครับหนึ่งให้ตาบ้าตัวต่วอัลลอฮ์ให้ตาบ้าตั ว, ตวอัลอลอฮ์อัลลอฮ์ให้สํานึกผิดเราเสียใจมาเรียนรู้เรื่องของอัลลอฮ์ซะ ฉะนั้นวันนี้พี่น้องมุสลิมเราในเด็กเด็กลูกหลานเราต้องเรียนสามเรื่องพี่น้องหนึ่งเรียนเรื่องอะไรนะเรียนเรื่องอัลลอฮหนึ่งต้องเรียนเรื่องอัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์มีสิทธิ์อะไรเก้าสิบเก้าพระนามต้องเรียนให้รู้ไม่ใช่ยี่สิบมันยี่สิบมันย่อเหลือยี่อัลลอฮ์ยังไม่อีกแปดสิบแปดน่ะแปดสิบกว่ายังไม่ได้เรียนเดียกแค่ยี่สิบเองขอขอบคุณอัลลอฮ์ยังเรียนยี่สิบดีก็ไม่ได้เรียนเลยใช่ไนะ ข้อที่สองเรียนเรื่องาศาสนาของอัลลอฮ์นี่เราดี่กันลังเรียนเรื่องอุรานของอัลลอฮ์ศาสนาของอัลลอฮ์อยู่ข้อที่สามเรียนเรื่องมัคลูกที่อัลลอ์สร้างมาโบนโลกนี่ต้องเรียนอีกครับอา้าวอัลลอ์สร้างแพะมาไปเรียนเรื่องแพะสิอลัลลอ์ดูแลแพะยังไงแพะมันคลอดลูกปีละกี่กี่รนะกี่เที่ยวต้องเรียนรู้หมดเลย เราต้องรู้ใจแพ้จะดูแลคนก็ต้องเรียนเรื่องคนอกีกจะเลี้ยงกายก็ต้องรู้แลกายเรื่องมักลูกของอัลลอฮ์ต้องเรียนให้รู้แล้วก็มีความถนัดแต่ละด้านแต่ละด้านไม่เหมือนกันอัลฮัมดุลิลละฉะนั้นกุณอาณาญานี้สอนเราบอกว่าบรรดานั บ, นนบีก่อนหน้านับบีมุฮัมมัดถูกเยอะเยะ้ยเพราะอะไรเพราะมาสอนศาสนาแล้ววันนี้คนที่สอนศาสนาถูก ถูกด่าไหมถูกครับยิ่งเอาซุ น, น่านา บ, บีมาสอนคนที่แอนตี้ซุนานมีมัดเยอะแต่เมื่อคืนนั่นผมไปพูดที่เนี่ยที่สุนมัสยิดสี่แยกบ้านแขกทามดุลิลล์คนที่เชิญผมก็บอกอย่าพูดซุนน่าแรงนะ <c oughs> ผมบ่กครับครับครับ <c oughs> <c oughs> มันมีซุ น, น่าค่อยกับซุ น, น้าแรง <c oughs> ทีนี้นบีมุฮัมมัดน่ะเอาเอาแค่นบีก่อนนบีเราเนี่ยถูกถูกถูกย่อเย้ยกี่ข้อหนึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นคนช่างฝันนะสองถูกกล่าวหาว่าเป็นมายากรสาถูกกล่าวหาว่าเป็นนักกลออแปลงอัลกุรอานข้อที่สี่ถูกกล่าวกล่าวหาว่าเป็นคนโกหกหถูกกล่าวหาว่าเป็นคนบ้าเจถูกกล่าวหาว่าเป็นนักเล่นกล ต่อมาถูกกล่าวหาว่าเป็นโหรเป็นกวีถูกตำหนิหมดเลยครับพี่น้องรวมไปถึงนบีอีซาเอาลฮิสาลามนาบีมูซาอาลาัลัยฮิซลามถูกตำหนิจากประชาชนอย่างนาบีมูซาก็ถูกตําหนิว่าเป็นซาฮิตเป็นมายากลเหมือนกันที่เอาคําพีไบเบิ้ลมาอธิบายเนี่ยถูกด่าจากประชาชนเพราะฉะนั้นอาันานี้ต้องการจะปลอบใจท่านนาบีมุฮัมมัดเอ้ย ถ้ามีคนมาตําหนิท่านดา่าท่านไม่ต้องไปอลไร น, นะไปเสียใจแต่น บ, บีเสียใจไหมคุณอ่านอธิบายนะครับบรรดาที่คนที่จะ ด, ดา่ดาน บ, บีตําหนิน บ, บีใส่ร้า ย, ายน บ, บีเนี่ยน บ, บีไม่เกิดความทุกข์ใดๆกับท่านน บ, บีน บ, บีไม่เคยเสียใจเลยเพราะอัลลอฮฺปลอบใจตลอดเวลาอัลฮัมดุลิลละสบายใจไหมสบายใจแล้วก็คนที่เยาะเย้ยนบีนั้น ถูกลงโทษหมดแล้วใครก็ตามที่ยังไม่ถูกลงโทษสกัดล้อมว้เรียบร้อยหมดแล้วไม่ต้องกลัวนะครับสบายใจได้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องทั้งหลายต่อมา tiver, อายะ์ที่42อัลฮัมดุลิลเลาห์พี่น้อง قل م ن يكلاكم بالليل والنهار من الرحمن بلهم عن ذكر ربهم معرضون قل م ن يكلاكم بالليل والنهار من الرحمن بلهم عن ذكر ربه معرضون الحمد لله الله أكبر นี่เรื่องเรื่องเรื่องตัวฮีตกำลังสอนเรื่องตทวฮีตนะครับปุลจ้วงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดอัลลอฮ์สั่งนะคือต้องการอายาเนี้อธิบายอย่างงี้ก่อนเอาเอ า, เอ า, เ, อาเอาประเด็นก่อนนะการลงโทษของอัลลอ์เนี่ย ยังไม่ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นกับคนที่เยอะเยะ้ยนบีมุฮัมมัดหดูถูกสุนนะนบีคนที่เยอะเยะ้ยอัลลอฮ์เยอะเยะ้ยอุเรานมีไหมมีที่พวกเขายังไม่ถูกลงโทษนะเพราะอะไรใครเป็นคนยับยัง้งไม่รีบลงโทษคําตอบก็คืออัลลอฮ์นะยังไม่รีบลงโทษ ยังไม่จัดการเล่นงานคนที่เยอะเยอะ่อีมอมัดเยอะเย่ออกุรอานเยอะเยอะ่อรอซูเนี่ยพราะอัลลอฮยังรักษาเอาไว้อยู่เพื่อให้เขาได้เตาบ้าตัวต่วออัลลอฮฺอดุขะแปบจงกล่าวเธดิดมุฮัมมัดกล่าวกับใครนะกล่าวกับพวกที่ล่อเลียนนะครับมั่นผู้ใดเล่ายัตุลาอุกุม กาละอยักกระอู้นี่แปลว่าคุ้มกันหรือแปลว่ารักษาคือแปลว่าดูแลนะครับใครล่ะเป็นผู้ดูแลใครล่ะเป็นผู้รักษาใครล่ะเป็นผู้ยังไม่จัดการลงโทษน ะ, นะครับบินไล ล, ลีทั้งกลางคืนวันน่ะฮารีและกลางวันมินัลราะมานจากอะไรนะ จากพระผู้ทรงกรุณาปราณีคือจากจากจากอัลลอฮ์ใครแหละเป็นผู้รักษาเอาไว้ยังไม่รีบจัดการพวกท่านที่ล้อเลียนนบีมุฮัมมัดล้อเลียนกุรอานล้อเรียนสุนนะท่านนบีล้อเรียนอัลลอฮ์อยู่วันนี้เนี่ยพวกท่านยังไม่ถูกลงโทษจากอัลลอฮ์ใครยับยั้งเอาไว้ใครรักษาเอาไว้ที่ไม่รีบลงโทษ นี่เตือนเป็นการเตือนให้รู้จะทั้งคนกาเฟ่ถ้อาอ่านกลัอานอะยานีใจใจใจฟอเลยนะเราเนี่ยจะต้องถูกลงโทษแน่ๆแต่ใครละ่ะยังรักษาการลงโทษเอาไว้ยังไม่รีบลงโทษทั้งกลางวันและกลางคืนที่ต้องสังเกตสิอาดาจของอัลลอฮ์มาเนี่ยมาตอนไหนสังเกตสังเกตมาตอนไหนครับส่วนใหญ่มาตอนเช้ามืดอ่า หรือไม่ก็มาตอนกลางคืนทําไมต้องเช้ามืดตอนเนี้ยแปดโมงเก้าโมงสิบโมงเนี้ยกับตอนกลางคืนเนี้ยเพราะเวลาสองเวลานี้คนส่วนน้อยมากที่นึกถึงอัลลอฮ์กลางคืนส่วนใหญ่นอนคนนอนนึกถึงอัลลอฮ์ไหมนอนโม่ชามุสลิมยอย่างหมูบ่มบ้านมีสักหบ้านสิบ้านที่ลราขึ้นมานมาตะหันยุทธใช่หรือไม่ใช่แต่ส่วนใหญ่นเนี้เงียบหมดเลยลืมอัลลอห์บทระวัง ตอนกลางคืนจะมีการลงโทษจากอัลลอ์ระหว่าง8 0มง9โมง7 00, 8 9 10เนี่ยในช่วงดีกำลังทำมาคา้คาขายกลังทอนเงินจ่ายเงินรับเงินเพลินไหมเพลินลืมไหมลืมนึกถึงใครนึกถึงอัลล์ทั้งๆที่เป็นเวลานามาตุฮาแต่คนหนามาตุฮากี่คนเปนอนเนี่ยสองเวลานี้รวมไปถึงสซนามิ ที่เกิดขึ้นที่ในที่ไหนนะที่ผูโกนพิเกตนะ่นี่ละรวมตรงเช้าวนันเห็นอย่างครับตั้งแต่สมัยนบีนูแล้วนบีนูหมาแล้วถูกลงโทษหมดเลย <c oughs> แต่นั้นคนกาเฟ่หรือมุสลิมที่อ่านกุณอ่านต้องนึกอลัลลอฮ์เนี่ยอลัลลอฮ์พูดไงนะบินไล ล, ลีวันนะฮะกลางคืนที่อลัลลอฮ์ยังไม่ลงโทษเนะี่ยใครยับยัง้งนะฮากลางวัน ถูกลงโทษตอนนี้ยังไม่ลงโทษใครยับยั้งเอาไว้ไมาใช่อัลลอฮ์หรือไปน้องตังลาอัลลอฮ์วักบัดบาลฮูมานซิคริรบีฮิมมูอริดูนแต่พวกเขาตังหากคนที่ถูกยับยั้งไม่รีบลงโทษเนี่ยพวกนี้ต่างหากเป็นพวกที่ห่างหรือมหันห่างหรือหันหลังให้กับการดำลึกถึงพระผู้อภิบาลของเขา อัลลอฮ์พี่น้องคนที่รำลึกถึงคนที่หันห่างหรือหันหลังไม่รำลึกถึงเนื้มัตที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยเป็นคนประเภทไหนครับนี่อายะนี้อธิบายไงบัลฮูมานซิกริรอบิฮิมวะริโดนพวกเขาต่างหากเป็นผู้ที่หันหลังให้กับการรำลึกถึงอัลลอฮ์พวกนี้อัลลอฮ์ให้เนืะมัตเหมือนกับมุมิน อ้ามุสลิมอัลลอฮ์ให้บ้านไหมบ้านคนกาเฟตอัลลอฮ์ให้ไหมให้คนกาเฟตมีมีที่ดินไหมมีที่ดินมีบริษัทไหมมีบริษัทมีเงินไหมมีเงินมีพรรยาไหมมีลูกบ้านมุสลินอลัลลอฮ์ปรให้แต่กลุ่มกาเฟตนี่ไม่เคยขอบคุณอลัลลอฮ์เลยคนที่ขอบคุณอลัลลอฮ์ก็คนที่เป็นมุสลินเท่านั้นแต่ทําไมอลัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษคนเหล่านั้นนี่ไงเป็นคําถามแค่นั้น เรามีหน้าที่จะต้องไปเตือนพวกเขาเหล่านั้นให้ได้สํานึกในเนื้อธรรที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้กับพวกเขาที่น้องครับเนื้อธรรของอัลลอฮ์นี่นะตอนนี้เป็นอย่างนี้มุสลิมบางกลุ่มเนี่ยเวลาออกไปสอนคนหรือไปสอนนักเรียนเนี่ยไม่ได้สอนให้ให้นักเรียนเนี่ยโยงกับอัลลอฮ์ไม่ได้สอนให้คนเนี่ยโยงกับอัลลอฮ์ มีไหมมีครับเพรา ะ, ะนันกการพีกอัลอาลยอธิบายอย่างนี้ <c oughs> นบีทั้งหมดที่มาคนสอนและที่มาในโลกนี้นะครับไม่มีใครที่เชิญที่เชิญชวนมนุษย์เนี่ยนะครับให้พักดีกับตนเองโดยไม่โยงกับอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีคนทุกคนเป็นน้องส่วนใหญ่ที่เข้าใจศาสนาอิสลามดีๆเนี่ยนะเวลาเขาเชิญคนเขาสอนคน หรือเป็นนักเรียนอะไรก็ตามเขาจะสอนนักเรียนเนี่ยไม่ให้เคารพตัวเองโดยไม่โยงกับอัลลอ์คุณอ่านตรงไหนครับกูนุไอบาดัลลีมินดูนิลลาจงเคารพฉันจงเรสเพคฉันให้เกียรติฉันไม่เอาอัลลอ์อย่างฟาโร่เนี่ยเชิญชวนให้คนกราบใครกราบตัวเองแล้วรอดไหมนะ่ะตาย ถังวาตารจ์จบไหมไม่จบวันนี้ศพยังอยู่ที่ประเทศอียิปต์ไม่เน่าด้วยยังสดเลยเป็นะงมาถูกลงโทษทุกวันเพราะฉะนั้นคุณอาเลยสั่งบอกว่าในยุค ข, ของนบีมูฮัมมัดเนี่ยอย่าทำเหมือนคนยุคก่อนๆ น, นะนะตั้งรัฐทขึ้นมาแล้วก็เชิญชวนคนสูนุลรัฐทตัวเองอะ่ะแต่กูนูรบบานีแต่จงเรียนหรือสอน ให้คนนั้นโยงกับอัลลอฮ์บ ب า ا ن ه และก็อาตาอัลลอฮ์จะบอกภรรยาให้แต่งตัวสวยๆก่อนนอนทาลยิปสติกบางๆและใส่เสื้อบางๆยำไม่ใช่พูดแต่ทาเพื่อฉันนะให้ทําแล้วหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์สามีมองแล้วมันชื่นใจเท่า น, นั้นเองแต่ทั้งหมดนะทำเพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ สามีมองชื่นใจเห็นไหมทําตามสุนนานาบีเ พ, พราะภรรยานาบีเขาให้รูปแบบในการแต่งกายของผู้หญิงเอาไว่อา้าวให้แปลงฟันก่อนนอนให้ทําเพื่ออัลลอฮ์ให้หมดแต่ผลดีก็คือปากไม่เหม็นเพราะปากไม่เหม็นคุยกันเป็นยังไงอัลลอฮ์อักบารอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ทําทั้งหมดต้องหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์พี่น้องที่มีลูกเลี้ยงลูกอยู่เนี่ยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อย อ่ะเวลาลูกป่วยแม่ป่วยด้วยใช่หรือไม่ใช่เวลาลูกไปโรงพยาบาลแม่ไปโรงพยาบาลด้วยไปค้างที่โรงพยาบาลแม่ก็ค้างด้วยใช่หรือไม่ใช่ใชเหมือนแม่ป่วยนะ่ะแต่ทําเพื่ออะไรทำแล้วนึกถึงอัลลอฮุด้วยฉันรักษาลูกของฉันตามที่อัลลอฮ์ต้องการฉะนั้นผลบุญฉันขอจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูอะตาละฉะนั้นเวลาจะสอนภรรยาสอนลูกสอนใครก็ตาม อย่าสอนให้เรสเพสามีแต่ให้เรสเพคใครเรสเพคอัลลอฮ์ให้ได้นะให้ผูกพันกับอัลลอฮ์ให้มากที่สุดนี่อัลลอฮ์สั่งไปนอ้องฉะนั้นลทัทธิอะไรต่งตางๆที่สร้างมาเนี่ยให้เชื่อชั้นให้บิลิฟต่อฉัน้นให้อีมานต่อฉันโดยไม่โยมของอัลลอฮ์ไม่ได้โยมทุกรายการเศรษฐกิจพรอบางเนี่ยบางกลุ่มมีนะสอนอย่างนี้นะฉันจะจัดประเทศของฉันให้เป็นประเทศอิสระ แต่จะเอาฉันจะปกครองแบบแบบแบบมุสลิมแต่จะเอาเศรษฐกิจแบบสิงคโปร์ไปมีมีการพูดกันแล้วใช่น้องรั ฐ, ฐนี้ฉันจะทำทำเป็นประเทศเอกราชให้มุสลิมอยู่แต่รับอิสลามแค่เจ็ดสิบเปอร์ซนตอีกสามสิบเปอร์เซนด้านธุรกิจจะเอารัทธิการปกครองแบบสิงคโปร์มาปกครองบ้านนี้เมือง น, นี้นี่ก็ผิดแล้ว จะตั้งการเป็นมุสลิมเนี่ยต้องเป็นมุสลิมทั้งหมดนะหนึ่งอิบาดะก็เป็นเกาทําเพื่ออัลลอฮ์เศรษฐกิจแบบนบีมูฮัมหมัดปกครองมดินาน่ะเขาเอาลัที่สิงคโปร์ไปชาติไหนแล้วเขาเอาลัที่ของอัลลอฮ์มาบริหารประเทศเราจเจริญไหมเจริญครับอระทับดูลีลาแบบนี้เป็นตัวเอาวันนี้ระบบเศรษฐกิจนะอยู่หรือจะพังเริ่มพังแล้วที่จะนอนกลจะน้อนแล้วนแล้วนอยไปไม่รอดน่ะระบบเศรษฐระบบเรื่องดอกเบี้ยไปไม่รอด ท่านต้องระบบอิสลามอัลละฮ์จะให้เห็นทีละโน้ยก็จะโน้ล่ะน้ล่ะโน้ล่ะนะครับเอาต่อมาครับอายาที่เท่าไรนะสี่สิบสองสี่สิบสามอัมแลหุมอาลีฮะตุนตัมนาหุมมินดูนินาลาจะสตั้ยูนัณสรอัมฟูซิหม ولاهم منا يسحبون أم لهم آلهة تمنعهم من, من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولاهم منا يسحبون الله أكبر ในเรื่องเตาหินเลยพี่น้องเลยอาจานี้สอนเรื่องเตาหินนะอลลถามนะครับถามคนที่บูชารูปจเจเ็ตแล้วก็ถามว่ารูปจเจเ็ตที่เขาบูชานั้นนะ่ะช่วยเหลืออะไรได้บ้างไหมอลลถามอัมลาหุมอาลีฮาตุนหรือว่าพวกเขามีพระเจ้าย่อยๆหลายองค์นะครับ มินดูนี่นะอื่นไปจากเราตำนาหุ้มที่ป้องกันพวกเขาไม่ให้ถูกลงโทษพวกเจ้าเวทเนี่ยพระเจ้าย่อยๆของพวกท่านหลายองค์ที่ท่านนับถืออยู่เนี่ยนะครับอื่นไปจากอัลลอ์เนี่ยนะครับพวกพวกพระเจ้าย่อยๆเนี่ยยับยั้งไม่ให้การลงโทษของอัลลอฮ์มากันนะั่นหรือ พี่น้องที่พวกนี้ลอเรียนนบีมุฮัมมัดลอเรียนคุรอานลอเรียนอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ยังไม่ลงโทษเนี่ยพาะพระเจ้าย่อยๆเนี่ยยับยังไว้กันนั่นหรือเนี่ยอัลลอฮ์ถามคำตอบก็คือไม่ใช่พระเจ้าย่อยๆเนี่ยมันจะไปยับยังอะไรอัลลอฮ์ถามไงนะไหมละยัสตัดีอูนะนัสรออัลฟุสีหม เจ้าเวทเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถป้องกันตัวของมันเองได้ตัวมันเองอ่ะเวลาใครจะเอาอะไรนะเอาขวานมาทําลายแบบน บ, บีอิบรอฮีมเนะี่ยมันยับยับย้งตัวเองได้ได้ปะไม่ได้เห็นไหมนี่ต้องนึกเราต้องนึกอกุ้งอ่านต้องนึกเลยอ๋อนี่กําลังสอนเรื่องนั้นเรื่องตาเผาอยู่เจอไหมน บ, บีอิบรอฮีมอีกอิบราฮิมพูดกับคุณพ่อ พูดกับพี่น้องที่บูชารูปเจเบตนะเวลาท่านเอาอาหารมาวางไว้ที่นะั่ที่ที่ที่รูปปั้นของท่านเลยนะที่รูปเจเวตเนะี่ยเวล า, มาแมลงวันมามาเกาะเนี่ยมันเคยไล่ไหม <c oughs> นีเ่เอาเรื่องง่ายง่ายนี่นะวันนี้คนใช้ปัญญาเนี่นะนิดเดียวนะเราทำดูเลยจะเลิกบูชารูปเจเวตทั้งหมดแล้วจะหันมาบูชาเอาล่อ AH หมดนะพี่น้อง นี่เป้าหมายที่อัลลอฮฺประทานอัลกุรอานมาผ่านนาบีมัมมดสอนเรื่องเตาไฟนี่แหละเพราะฉะนั้นที่อัลลอฮฺไม่จัดการลงโทษคนที่ตําหนิกุรอานตําหนิอัลลอฮฺตำห น, นิรอซูลเนี่ยพี่น้องพระเจ้าย่อยๆเหล่านี้น่ะยับยั้งไว้หรือไม่ใช่อัลลอฮฺยับยัง้งนะครับอัลลอฮฺก็บอกว่าพระเจ้าย่อยๆเนี่ยไม่สามารถที่จะยับยั้งตัวเองได้ด้วยถ้าอัลลอฮฺจะเล่นงานหรือใครมาทําลายรูปเจเบตเนี่ย พวกนี้ยับยั้งตัวเองได้ไั้มไม่ได้หรือว่ามีมาแมลงวันมาตอมอาหาเนี่ยมาไล่ได้ไหมไมันก็ไล่ไม่ได้อยางงี้เป็นต้นนะครับวะดะฮุมินนัยุสฮะบุหรือมันไม่สามารถที่จะยับยั้งตัวเองและไม่สามารถที่จะป้องกันตัวเองนะครับ และพวกท่านนี่ยังจะมาต่อต้านพวกเราอีกหรืออย่างนี้เป็นตัวทําไมมาต่อต้านอัลลอฮ์ทำไมมาต่อต้านมุฮัมมัดดำไมมาต่อต้านซุน่านบีทําไมมาต่อต้านกุรานทําไมในเมื่อพวกท่านยังไม่สามารถที่จะคุ้มครองตัวเองได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่คุ้มครองแทนวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาฮีเรื่องตะฮิดนะครับพี่นอ้องเอาต่อมาอายาที่สี่สินะครับบาลมั دعنا هؤلاء وأبائهم حتى طال عليهم العمر، أ فلا يرون أن تلأرب نقصها من أ ط ر ا ف ه ا أفهم الغالبون. بل متعناهؤلأ وآباءهم حتى طال عليهم العمر أ فلا يرون أن نت الأرض نقصها من أ ق ر ا ِ ه ا أفهم الغالبون ละ hamdulillah ข้ ham อาานี้มีสีประเด็นพี่น้องมีสีประเด็น bal mata nahum h า ula i w า abahum ประเด็นที่หนึ่งต้องการจะบอกว่าอัลลอฮ์นี่นะได้ให้ผู้ที่ปฏิเสธอิสลามให้ให้กับคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูนไม่เอานบีมุฮัมมัดนะ ที่รอเรียนนบีมุฮัมมัดเนี่ยอลัลลอ์ให้อะไรบ้างข้อที่หนึ่งให้พวกเขาพบกับความสุขสาราญมัตตาน้าหุม่มเราให้เขามีความสุขสำราญอลัลลอ์จะกินอาหารทีคนกาแฟเนี่ยจ่ายเป็นหมื่น่ะไม่จะกินทางป่าอย่างเดียวมันกินทางไหนกินทางหูด้วยใช่ไหมฟังเพลงแล้วกินทางตางงผู้หญิงร้อง แล้วก็กินทางมือคลาอีกใช่มเรากินทางปากกินกี่ทางเนี่ยหนึ่งสองสามสี่มีรายการไหนบ้างที่ขอบคุณอลัลลอฮ์มีไหมไม่มีเลยนี่อลัลลอ์ให้นะมตัตตาน้าหุ่มเราให้พวกเขาได้รับพบกับความสำราญความสุขสำราญใครครับพวกเขาและบรรพบุรุษของเขาอ่ะ ใช้ชีวิตมีความสุขมาตลอดใครให้เนี่ยคนกาเฟสนึกบ้างหรือเปล่าใครให้คนที The ่แอนตี้ซูนานาบีเน่ะนึกมือเปล่านี่ใครให้เนี่ยเราให้ความสุขกับภูเขาอยู่บนโลกในี้แบบสบายสบายเนี่ยมาดูพวกนู่น่ะพวกที่เจาะภูเขาเป็นบ้านเห็นไหมเขโลแนันน่นนะเาะเอาวันนี้มาดูดีตึกสูงเท่าไหร่ในดูไบอ่ะ อาลอให้ไหมถมทะเลแล้วก็นี่จะขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ากี่ร้อยชั้นอยู่บนชั้นบนโคลม อ, อากาศมันเย็นขนาดไหนนะนะใครให้ไฟไหมนะ้นะทำอย่างไรพี่น้องเนี่ยใครให้ใครให้มัตตาหน้าหุมเนี่ยที่คิดได้แบบนี้นะใครให้คิดบ้างหรือเปล่าอาต่อมาครับตอที่หนึ่ง t ัตตาโพลาไ i มูลลา u ุ u r จนกระทั่งพวกเขาอายุย่างยืนอัลลอฮฺอักบารอายุยาวๆนี่ข่าวออกมาใหม่นะครับในอเมริกามียาชนิดหนึ่งกินถ้ากินยาประเภทนี้นะมีอายุร้อยสี่สิบปีผมได้ข้อมูลมาบัวัซซนเองอายุยาวถึงร้อยสี่สิบปีเนื้อหนังนี่ยังสด แต่ในคัมภีร์กูรอานสูรบบรกรคนยาฮูดีต้องการจะมีอายุยาวถึงพันปีอายุสุนานะนบีอลัลลอฮ์นบีสอนนะอุมมาของมุฮัมหมัดอายุเท่าไหร่ 70. หกสิบถึงเจ็ดสิบนี่ก็แย่แล้วแต่เขาพยายามผลิตนู่นผลิตนี้อลัลลอฮ์ให้ อ, อีก่งให้อายุยืนยาวใช่ไหมถามว่าอายุยืนยาวไปทำอะไรสะสมความชั่วใช่หรือไม่ใช่ อา้าคนไม่เอาศาสนาเนี่ยช่องอายุยาไปร2อยี่สิบปีแล้วก็มีไว้ทำอะไรล่ะอายุยาร้อยสิบปีด่ามุฮัมมัดด่ากุรอานด่าอัลลอฮ์มีประโยชน์ตรงไหนมีตะขาดทุนก็ขาดทุนฉะนั้นนี่สอง น, นะสองสองเนี่ยอมามัดที่อัลลอฮ์ให้นะเนี่ยอามาดหนึ่งให้เขามีความสุขอยู่สบายบนโลกดุนยาใบนี้ข้อที่สอง อัลลอ์ให้อายุของวูเขานั้นยั่งยืนชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองไม่จะอยู่ไปตลอดผลสุดท้ายก็ต้องตายได้ยาวไปแต่ัญญาตรงร้อยี่สิบปีเอาไว้ดานบดีมาทุวันทุวันทุวันวั น, ว น, ว น, วนมีประโยชน์ไหมไอ้นีประโยชน์อะไรเลยนี่ยเนี่ยมัดที่สองเนี่ยมัดที่สามอาฟาลายราูนะคนคาเฟ่เนี่ยมัได้ใช้ปัญญาหรือ อ้าอัลลอฮ์สอนนะอฟัฟลาดยาราหน่ะหรือมุสลิมด้วยก็ได้มุสลิมเคยใช้ปัญญาไหมละ่ะหรือคนกาเฟ่เคยเคยใช้ปัญญาไหมอนานาติลอาบบะแท้จริงเรานี่นะได้มายังแผ่นดินได้มาอย่างอัลลอฮ์คืออลลอเนี่ยส่วงวะฮีลงมาที่แผ่นดินนี่แหละ เราจัดการแผ่นดินนี่ยังไงเอ้ามาดูเราจัดการหนังกูซูฮาเราได้ทาให้แผ่นดินนี้เป็นไงครับไปน้องตัดทอนย่อย่อตัดตัดตั ด, ต, ดตัดจากใครไปน้องตัดตัดจากกรรมสิทธิ์ของคนกาเฟสที่แรกเนี่ย คนกาเฟตเป็นเจ้าของที่ดินและอัลลอฮ์ก็ตัดออกจากกรรมสิทธิ์ของคนกาเฟตเข้าไปอยู่ในมือขายมือของมุสลิมทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อ ย, อ ย, อยโอ้โหนี่เป็นเป็นข้อคิดที่ดีมากคนกาเฟตเคยสังเกตบ้างไหมแผ่นดินของอัลลอฮ์นี่นะเมื่อก่อนเนี่ยคนกาเฟตคุมหมดแล้ววันนี้อัลลอฮ์ให้ ขอบเขตแผ่นดินนั่นมาอยู่ในอิทธิพลในอำนาจของมุสลิมทีล ะ, ละน้อยละน้อยละน้อยละน้อยอายกตัวอย่างในกรทมเนี่ยเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยมีซุราวสักแห่งหนึง่งไหมไม่มีเลยแล้วมุสลิมที่ถูกจับมาันจะาปัตตานีมาปล่อยไว้ที่นี่เนี่ยคุน้องวันนี้มีมมีมัสยิดเท่าไรไปแล้วเท่าไรนะสองร้อยมัสยิด แล้วก็ที่มัสยิดมันไม่ใช่มีเทว่าสองงานนะบางคนมีร้อยไร่มีได้ไม่มีแล้วมาอย่างไงอ่ะสังเกตนะโอ้ใช่นี่น่ะเอาในอเมริกายุโรปจากโบสคนยิวดีมันขายโบสขายให้ใครให้มุสลิมเปลี่ยนจากโบสมาเป็นมุสลิมทีละหลังละหลังละหลังละหลังนี่งเอาระคุณติดกูน พี่น้องเห็นบ้างหรือยังเคยสังเกตบ้างไม้แผ่นดินของอัลลอฮ์มาก่อนคนกาเฟตยึดคลองเดี๋ยวนี้อัลลอฮ์เปลี่ยนมือมาอยู่ในมือมุสลิมทีละเล็กทีละเล็กทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยทำดูเวลาพวกเรารักษาที่ไม่เป็นชอบขายอัลลอฮ์อักบุรอิศะอันคุรานในย่านนี้นะต้องนึกเยอะนะอัลลอฮ์ให้รักษาที่แต่พวกเรา ขายหมดใจดีนะอุลโลอักุบะอ้าวมินอัตรลฟิฮะจากอะไรนะจากจากเขตจากขอบเขตของแผ่นดินเนี่ยคือเริ่มทําลายทําลายทิละน้อยเล่าน้อยมาอยู่ในกํามือของมุสลิมมุสลิมมุสลิมทีละน้อยเหล่าน้อยอัลลอฮ์อัลกุบะเห็นอย่างครับนี่เป็นกุญแจของอัลลอฮ์นะครับให้มุสลิมดูแลโลกใบนี้จะต่อมาครับ อาฟาหูมุลรอรีบุญอัลลอฮ์แล้วพวกเขายังจะชนะอีกหรือคนกาเฟตจะชนะหรืออลอเห็นยังไปน้องลวมุสลิมมาอยู่ทําไมในวันนี้อัลลอฮ์ إيمان น่าจะเพิ่มแล้วนะอัลลอฮ์ดูแลอยู่วันนี้ฉะนั้นโลกใบนี้อัลลอฮ์เป็นเจ้าของอัลลอฮ์ส่งมุสลิมมารับผิดชอบดูแลอัลลอฮ์ไปน้อนกับอัลลอฮ์เล่าเลยนะ นบีเล่าเองนะครับโลกใบนี้สมัยนบีมูฮัมหมัดนี่ปกครองโดยอะไรรู้ไหมปกครองโดยนบีแล้วต่อมาปกครองโดยคอลีฟะพอหมดจากคอลีฟะจะปกครองโดยโดยกษัตริย์โดยคิงในโลกนี้คิงเยอะพี่น้องแล้วต่อมานบีทํานายว่าจากกคิงเสร็จแล้วก็จะมาเป็นอะไรนะ่าจะเป็นเป็น นั่นนะผู้ปกครองที่โหดร้ายกดขี่ประชาชนกดขี่ประชาชนจบแล้วนะจะปกครองแบบคอร์รัปชอีกครั้งด้านั้นอสเนี่ยท่านจะต้องแสดงตัวออกมาให้ไวที่สุดท่านจะต้องปกครองแบบอิสลามแบบแบบแบบแบบแบบคอลิฟัปชก็รอดูกันต่อไปอะไรมันจะเกิดขึ้นอย่าลืมกุณอ่ญญานอายาหนึ่งพูดเรื่องเศรษฐกิจมีการเมืองมีแต่อัลลอฮ์พูดในนามอิสลาม นักคิดนะครับเอาอายานี้ได้ข้อสรุปสประเด็นนะครับเป็นองประเด็นที่หนึ่งเราได้ให้คนกาเฟตรหรือคนมุสลิมก็ได้อยู่บนโลกดุนยาเบนี่มีความสุขมากครับพี่น้องนี่เป็นนื้อมัดอันหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้แต่คนกาเฟตไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์แต่มุสลิมจะต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆข้อที่2องอัลลอฮ์ให้อายุของอุม่านาบีมุฮัมมัดเนี่ยหถึงเจปี แต่คนย a h ดีวางแผนแว่าจะต้องมียาชนิดหนึ่งตัวหนึ่งกินแล้วอายุร้อยี่ปีถามว่าอยู่ไปเพื่ออะไรนเมื่อมันจะสูอยุ่ต่ออัลลอฮ์สะสมความชั่วสะสมทำไมใช่ไหมนี่สาหรับเรานะข้อที่สแผ่นดินขยายเพิ่มขึ้นให้ดินแดนของมุสลิมขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแผ่นดินในโลกใบนี้ มาอยู่ในมือมุสลิมคิรน้อยแลน้อยแลน้อยโดยโดยอะไรเออโดยบางคนขายบังครัออรง้งใช่ไหมประเทศไทยเนี่ยผมว่าอยู่กับมุสลิมเยอะนะตอนนี้ชักขายอะไรใช่ไหมก็มาอยู่ในคนคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่แต่ในต่างประเทศเนี่ยอเมริกาเห็นไหมยุโรปซื้อวัดเป็นโบสถ์โบสถ์จากซื้อโบสถ์มาเป็นมัสยิดหมดแล้วทำดุริแล ต่อมาครับอ้าฟ้าหูมุลอลอรีบูนข้อที่สีเนี่ยแล้วพวกเขาจะยังชนะอีกหรือเป็นข้อเตือนใจสําหรับมุสลิมที่ดีที่สุดนะครับต่อมาครับคือนบีต้องการอธิบายอย่างนี้นะคนที่มีอายุยืนยาวเนี่ยมีซอบ้านนบีคนหนึ่งที่อธิบายเมื่อสอส อ, อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยซอบ้านนบีคนหนึ่งมาเห็นหน้านาบีพูดบอกว่าฉันเห็นหน้านาบีสดชื่นมากเลย นบีบอกว่าอ้าวคุณไม่รู้หรืออัลลอฮ์สร้างทุสิ่งทุอย่างมาจากน้ําทั้งหมดเห็นหน้าคนสดชื่นเห็นหน้าพระยาสดชื่นขนาดไม่แต่งตัวยังสดชื่นถ้าแต่งนิดนิดนอะชื่นหรือไม่ชื่นอัลลอฮ์สดชื่นฉะนั้นให้แต่งตัวสวยๆต่อหน้าสามีแครับแต่งตัวอาบน้ําใส่เสื้อผ้าสะอาดๆ ส, สวยๆมันสดชื่นแล้วซอบ้านนาบีถามว่าถ้าฉันจะสดสดชื่นแล้วก็เข้าสวรรค์ด้วยทํำยังไง สดชื่นด้วยมองแล้วเราสดชื่นเราเข้าสวารรค์ด้วยเนี่ยเห็น<ม>ไหมอามีบุบคคลทำสี่ข้อคิดว่า อ, อาจจะลืมไปแล้วสื่ข้อมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งให้นี่ให้เห็นหน้ากันนี่นะให้ยิ้มแล้วก็กราบอัสสลามหอใดกุ่มนี้ข้อที่หนึ่งนี่ไหมยิ้มด้วยบนดุนยายิ้มด้วยผลละบนอยู่ที่อัลลอฮ์แล้วก็ให้ให้สาลามด้วยโอโลัลลอฮ์เห็นไหมทําตามสุนนะอามีข้อที่สอง ให้เลี้ยงอาหารเลี้ยงอาหารกันพี่น้องเลี้ยงอาหารคนรวยก็ได้ใช่ไหมเอามาเชิญมากินอาหารสองคนสามคนกินอาหารเช้าที่บ้าหรืออาหารกลางวันก็ได้พี่น้องนี่ทําให้สดชื่นและไปไปสวรรค์ข้อที่สามพี่น้องติดต่อกับเครือญาติของเราเอาลอลพี่น้องติดต่อกับเครือญาติของเราข้อที่สี่ให้ลุกขึ้นนมัส ปิยามุเลนขณะที่คนกำลังนอนอยู่ในบ้านไปน้องนี่แหละสี่ข้อนี้นะท่านจะสดชื่นด้วยแล้วก็เข้าสวรรค์ของอัลลอบิสาลาเมนด้วยความสันติอัลฮัมดุลิลลาไปน้องฉะนั้นอายุยาวๆที่อัลลอให้นี่อไัไปททำอะไรและอัลลอให้ท่านมีความสุขอไัไปททำอะไรสุขแล้วไม่ได้ขอบคุณอัลลออย่าไปสุขสุขแล้วต้องทำสีข้อไปนี้นะครับสวนนามาด พอดูห้เวลาขาดไม่ได้ครับพี่น้องต่อมาอายาสุดท้ายนะครับพ <th ername> <yr> hm <traveling> ี่น้องยะที่สบุลอินมะอุนซิรุคุมบิลวาฮิวะลายัสมะอุสมุดกาอิลามยุนซิรุ قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصمداء إلا ما ينذرون الحمد لله พี่น้องอาย่านี้อัลลอฮ์พี่น้องทุกอายาในอลกุรอานมีความหมายหมดเลยแล้วก็ดีหมดครับอายานี้สอนกี่เรื่องครับ เรื่องที่หนึ่งสอนบอกว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดนบีมีหน้าที่อะไรนะฉันเป็ น, นมีหน้าที่อุนซิลเป็นผู้เตือนนบีไม่เคยบังคับใครให้รับอิสลามไม่เคยบังคับใครให้รับอิสลามอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งนบีมาบังคับนะแต่ส่งมาสอนเตือนให้ข้อคิดแค่นั้นอิสลามต้องเรียนครับ ต้องคิดต้องคิดเป็นนะจงกล่าวเถิด ม, มุฮัมมัดฉันเป็นเพียงผู้ตักเตือนพวกท่านเท่านั้นแล้วก็เอาอะไรมาเตือนครับบิลวาฮีโดยเอาวหฮีที่ฉันได้รับจากอัลลอฮ์นั้นมาสอนพี่น้องเข้าใจยังไงครับวาฮีที่นบีนำมาไม่ใช่โต๊ะยีไม่ใช่ประเพณีปฏิบัติ ที่ได้มาจากกลุ่มอาหรับมาสอนนบีไม่เอาครับไม่เอาประเพณีปฏิบัติที่ชาวบ้านปฏิบัติในมาสอนนบีไม่เอานบีจะไม่เอาประเพณีที่พวกอาหรับปฏิบัติกันมาตั้งร้อยปีพันปีนะครับนบีไม่เอาประเพณีปฏิบัติมาสอนแต่จะเอาอะไรามาสอนนะอุฮัยอุฮัยกับประเพณีไม่เหมือนกันแต่วันนี้พวกเราม穆斯林นะชอบรักษา ประเพณีแต่ไม่รักษาอวะฮีนี่ไงปัญหาไม่มีที่มันขัดขัดกันมาค่อยลงกันเข้าใจนะประเพณีเนี่ยคือปู่ย่าตายายทํากันมาเอาลอดมองง่ายๆก็แล้วกันกวนสุกรเนี่ยกว่าจะเลิกได้ น, นานอ่ะเพราะกวนูุกรเป็นประเพณีใช่หรือไม่ใช่ส่วนถือศีลอดในวันอาชูรอเนี่ยเป็นวะฮีนะกว่าจะเลิก ควรสุรแล้รับวาฮีมาแทนนี่ยทำงาเหนื่อยได้ไม่เหนื่อยอโอถูกตำหนิถูกด่าเลยคณะไหม่นี่มาจากกลุ่มนี้แหละวาบีอลัลลอฮ์ถูกตำหนิพี่น้องเอานะข้อที่หนึ่งนะนบีเนี่ยอัลลอฮ์บอกมูฮัมหมัดเอ๋ยจงพูดกับประชาชนบอกว่าฉันนี่เป็นเพียงพูดตักเตือนพวกท่านตามที่ฉันได้รับวาฮีมาแทนอัลลอฮ์เท่านั้น วันนี้ก็เหมือนกันการเป็นน้องที่บ้านเราเนี่นะต้องเอาคําสอนที่ผ่านนบีมาสอนลูกของเราอย่าเอาประเพณีปฏิบัติมาสอนลูกต้องเอาวาฮีมาสอนวาฮีที่ผ่านนบีที่อยู่ในคัมภีกุอานและซูน่านบนะีเอามาสอนลูกให้หมดอย่าเอาประเพณีปฏิบัติโอ้ดิของเคสเพิ่งเลิกนะมุสลิ ม, มานุ่งผ้ากระโจมอกนั่งหน้าบ้านเนี่ยเพิ่งเลิก มุสลิมมานั่งหน้าบ้านไม่ไม่ไม่ ไ, ม ไ, มไวคุมผ ม, ไ, มได้อย่างนั้นผิดที่เป็นเป็นประเพณีที่โต๊ะปฏิบัติมาแต่ที่ถูกต้องก็คือต้องแต่งกายให้มิชิดมานั่งอยู่หน้าบ้านต้องแต่งกายให้มิชิดอยู่ในบ้านก็เปิดไปสิแต่มายืนหน้าบ้านนี่ต้องแต่งกายให้มชิดนี่เป็นวาฮีคำสั่งของอัลลอฮ์นะครับต่อมาครับ ว, วลายสมาอุซุมุดวา แต่คนหูหนวกซุมมุลแป่าคนหูหนวกลายสมะไม่ได้ยินอัุดาเสียงเรียกร้องเสียงวาฮีอันนี้อัลลอ์นี่ดาครเนี่ยเห็นไหมแต่คนหูหนวกเท่านั้นแหละที่ไม่ได้ยินวาฮีที่ผ่านนาบีจากอัลลอฮ์การเชิญชวนว่าแบบยึ ด, ย, ด, ย, ดยึดวาฮีนะ แต่ไม่มีใครได้ยินคนหูหนวกเท่านั้นนี่ด่าใครด่าที่คนแอนติวาฮีอัลลอฮ์คนที่แอนติซุนน่านบีเนี่ยหูหนวกพวกเองเนี่ยหัหนวกอัลลอฮ์ให้วาฮีผ่านนบีมาดันเรียกว่าคนที่เอาคำคำค ำ, คำสอนของนาบีมาเป็นว่าพวกวาฮีดูสิดูสินี่หูหนวกหรือหูหูไม่หนวกหูหนวกด่าใครครัครบด่าคนที่แอนติซุนน่านบีเห็นไหมเป็นน้องนักหนะ้า ฉะนั้นวาลัยยะสมาอุตซุมมุดดัวแต่คนหูหนวกแถวนั้นที่ไม่ได้ยินเสียงเรียกร้องการเชิญชวนอันนี้ดัอาร์นี่แปลว่าสองอย่างแปลว่าการเชิญชวนก็ได้แต่ดัอาร์อีกคําหนึ่งแปลว่าการขอดัอาร์แต่ตรงนี้แปลว่าการเชิญชวนจะอีกคําหนึ่งคํานี้เหมือนกันเขียนเหมือนกันแปลว่าการขอพอ อุล玛อธิบายอีกนะก็ดีมากเลยนะอธิบายอย่างนี้การขอดูอาของมุสลิมเนี่ยอัลลอ์ให้หนึ่งในห้าคนที่ขอดูอาเนี่ยนะอัลลอ์ให้หนึ่งในห้ารายการนะฉะนั้นอย่าดูถูกดูอาอย่าดูถูกดูอาพี่น้องอา้าห้ารายการมีไลบ้างหนึ่งขอแล้วได้เลย ขอกลางคืนตื่นเช้ามาได้แล้วสังเกตสังเกตสังเกตขอแล้วได้เลยนะะท่้นอย่าดูอย่าดูถูกดูอานะขอเถอะพี่น้องคนที่ไม่มีอยากมีภรรยาก็ขอดูอา้าอยากมีอยากใครอยากได้สามีก็ขอดูอา้าจะเอาล้นนั่นแหละบางคนไปขอทีมาานะ่มักกะน่ะกว่าจะได้นะ่ะหกเดือนอนะ่ะใช่ไหมหนึ่งขอแล้วได้เลยสองขอแล้วได้ชา ชานะ่มีไหมมีอย่างมุสลิมอายุสิบขวบอยู่ปสี 4, ป่ปหเริ่มขอดวงอาได้แล้วอัลลอฮฺจ่ า, าจฉันอยากได้สามีที่ดีมีศาสนาต้องขอก่อนพออายุย5มห้าพวกจะแต่งงานตะขอกี่ปีสิบห้าปีขอทุกวันทุๆวันทุวันทุกวันทุกวันขอแล้วได้ชาอันที่สามขออย่างหนึ่งอัลลอให้อีกอย่างหนึ่ง ขออย่างหนึ่งอัลเาให้อีอย่างหนึ่งนะพี่น้องท่นต้องขอดูอาอ น, นเรียนชายขอดัอาให้ได้ภรรยาี่ดีขอตัว น, นี้อัลลอฮุมะซาอวิจนีซอตซอลิฮตันอัลล์จะฉันอยากได้ภรรยาที่ดีทั้งเรียนหญิงขอแหะอัลลอุมะซาอวิจนีซอยันซอลิฮันอัลลอ์จะฉันอยากได้สามีที่ดีมีศาสนาพาฉันไปสวรรค์ของอัลลอ์ตัวเลว่าขอ มีห้าอย่างนะขอแล้วได้เลยขอปับ๊บได้ปับ๊บขอที่สองขอแล้วได้ช้าอันที่สามขออย่างหนึ่งเอาล้อให้อีกอย่างหนึ่งเช่นขอให้ได้ลูกผู้ชายเอาล้อให้ลูกผู้หญิงที่อยู่ในท้องข้อที่สี่พี่น้องขอแล้วอลัลลอฮ์ไม่ให้แต่อลัลลอฮ์จะเบี่ยงเบนบาราอ่ะอลลอฮ์เบียนเบนบาร า, นะ า, า, าไม่มีบาราไม่มีฟิกเจนาเกิดขึ้นเพราะเราขอไปเยอะพี่น้อง ขอขอขออัลลอฮฺไม่ให้ตามขอไม่ให้เลยพี่น้องแต่บาละไม่มีดีไม่ดีดีข้อที่หขอบนดุลยานี้ขอเท่าไรก็ตามไม่ได้แต่ไปได้เอาหลังตายฉะนั้นการขอทวารพี่น้องเรื่องขอแล้วได้ได้ศูนย์ไม่มีไม่ได้ข้อหนึ่งก่อข้อ2ไม่ข้อสกว่าข้อสกว่าข้อสไม่ข้อ3กว่าข้อ4ไม่ข้อ4กว่าข้อห เรื่องขอดุอาไม่ได้ฟรีๆไม่มีครับคนที่ดูถูกดุอาใครรู้ไหมมิสเตอร์ฟาโรฟาโรนี่ดูถูกดุอาจารย์เลยเห็นนบีมูซาขอดุอาปล่อยมูซาให้มันขอดุอาไปดูอุมีอะไรอะไรอันนี้เป็นต้นเลยทัพกุกอานาฉะนั้นมีพี่น้องเราหลายคนโทศรศัพท์มาปรึกษาฉันสามีฉันฮะลมาก่อนนี่นะ ปลูกชั้นนำมาดถ้าเป็นมูอัลลัฟะเดี๋ยวนี้พอหนูลุกขึ้นนมาดดีชั้นปลูกสามีสามีถีบ <c oughs> จะทํำยังไงอาจารย์เครียดเลยอ้าวขอจุอาไปขอบาขอบายพอขอปั๊บเนี่อลัลลอฮ์บางทีก็รับเลยบางทีก็รับช้าบางทีก็อะไรนะให้ให้มาอีกอย่างหนึ่งที่ดีกว่าเกาอีกก็ได้บางทีขอแล้วขอขอ สามีไม่เปลี่ยนแต่บาระไม่มีเนะี่ยสามีไม่เตะห้ามดูแลมันก็ดีข้อที่หา้าขอได้ไม่ได้ได้อาคีร์มันขอดูอาถึงของดีทั้งหมดเปน็นอันเด่อัลลอห์อักบบดอิลลามยุนซิรุนเมื่อพวกเขาถูกตักเตือนอายานี้มีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งอะไรนะนบีมีหน้าที่สอน เรามีหน้าที่สอนอบรมเอาอะไรมาสอนครับเอาความรู้ที่ผ่านวาฮีมาสอนอย่าเอาประเพณีปฏิบัติมาสอนแต่ที่นบีทำอยู่ข้อนึงนะเพ่น้องเป็นเป็นประเพณีชาวอาลับที่นิกาขณะกนนะแล้วก็เลี้ยงอินทาลัมกับน้ำอะไรนะน้ำดำๆนมนมนมน ม, นมกับอินทาลัมเนี่ย เป็นประเพณีปฏิบัติที่ชาวอาหรับปฏิบัติกันมานาบีก็เอานี่มาไว้ไม่อยู่เรื่องเดียวนอกนั้นมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์วาฮีวาฮีวาฮีหมดเลยไม่เคยเอาจากชาวบ้านเลยไม่อยู่เรื่องเดียวตอนนิกานมกับอินตลอะไรทำอยู่เรล่อยเพียง้องทำเราเข้าใจาอิสลามเพิ่มขึ้นจนนั้นวันนี้พยายามถามว่าวาฮีของอนะัลลอฮ์น่ะมีอะไรบ้างอัลลอฮ์พี่น้อง เอาจะเข้ามาัสยิดวาฮีของอัลลอ์ให้เอาเท้าหนาเข้านะเท้าวขวาก่อนจะเข้าห้องน้ำเท้าซ้ายจากอัลลอฮ์หมดเลจากวาฮีทั้งหมดอัลลอ์จะนอนวาฮีของอัลลอ์ให้มือขวาจับแก้มขวาแล้วนอนตะแคงอัลลอฮ์อักบนี่เป็นวาฮีทั้งหมดไอที่นอนเห็นหมอนเราเสือกนะอะไรนะเสือกหัวนั้นประเพณีปฏิบัติ ไม่ใช่สุน나ะนบีสุนนาต้องนึกถึงนบีอินบีนบีอาญาเนี่เตือนนะพี่น้องคนที่ไม่เอาสุนนาะนบีคนนี้ก็เลยนะคนหูหนวกวลายัสมาอุตซุมมุดมะแต่คนหูหนวกเท่านั้นที่ไม่ได้ยินเสียงที่มาจากอัลลอฮ์ผ่านท่านนบีเรียกว่าคนหูหนวกนะครับทุกครั้งที่เขาถูกเตือนให้นึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงรอซูลนึกถึงสุนนาะนบีปฏิเสธอย่างนี้เป็นต้นพี่น้องครับ อ่านบีศรต่อนะครับเรื่องเล็กๆในน้อยมาจากนบีมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมด น, ะนบีศรนอย่นนะครับกาลิมาตานี่คอฟีฟาตานี่มีอยู่สองคำพูดถ้อยคําที่เบาลิ้นนะครับอัลลิซา at นสตีลาตานฟิลมิซานแต่หนักที่ตาช่างพูดเบาเบาลิ้นแต่เวลาเอาไปช่างคือตาช่างเนี่ยน้ําหนักมันเยอะมากครับพี่น้องนั่นก็คือ ทาบีบาตานิลลารห์มานเป็นที่ชอบเป็นที่รักของอัลลอ์คือสุบฮานัลลอฮวาบิฮามดีฮีสุบฮานัลลอฮฮิลอาลีมสองประโยคนี้พี่น้องเหมือนกับไม่ได้มาจากอัลลอ์แต่ที่นายได้นี่มาจากอัลลอ์เป็นวาฮีผ่านนาบี ม, ม, มุม a ม m a มาให้พูดสองคำเบาลินอะไรนะ สุบฮานัลลอฮิวบิฮามดิสุบฮานัลลอฮิลอฮมเยอะๆพี่น้องอัลลอฮ์ผวันเกียรมาเอาไปช่างตาช่างอัลลอฮ์น้ำหนักขึ้นทด ล, ลิลถามผู้หญิงพูดได้ไหมอัลล์ได้แลวนั่นก่อนนอนครับสุบฮานัลลอฮิลอฮมร้อยหนึ่งก่อนนอนตอนเย็นๆสุบฮานัลลอฮิลอฮีมอีกร้ยหนึ่งตอนเช้าๆเนี่ยพี่น้องก่อ น, น, อน นามาสุบโบจบแล้วพี่น้องอย่าเพิ่ง น, นอนนะนอกจากคนป่วยที่นอนได้นบีห้ามนอนหลังนามาสุบโบ์นี่อ่นานกุรานซิครุลลอห์ละข่าวเนี่ยอุบฮานอัลลอฮิลอฮซมอุบฮานัลลอฮวาบิฮัมดีเยอะๆพี่น้องเบาเล่นหนัดดาช่างนี่ก็ผ่านวาฮีขาา่าอัลลอฮ์เหมือนกันอย่านึกเองพี่น้องนะครับเาตลงว่าคนที่ดูถูกดูอาใครนะ ฟาโรดูอาขอเถอะพี่น้องครับอัลลอฮ์ให้ไม่นึงหนึ่งในห้านี่ได้แน่ๆอยู่แล้วนะครับแต่ผมว่านะได้หลังตายบ้างก็ดีเชื่อไหมยอยู่ตะกูโบอยู่กี่คนอนะ่ะคนเดียวอ่ะอัลลอ์บอว่ า, ายาได้นบนดุนยาหมดเลยนะ الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك شو الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأدوب إليك سلام ع ل u ك م a ر ح م ة الله وبركات